ก็เจริญพรพูดถึงเรื่องของใจว่าใจเนี่ยใจมันเป็นความว่างแต่มีความรู้แล้วก็ทุกสิ่งที่เกิดในใจเช่นความไม่สบายใจความสบายใจความโกรธความอความรักความชังมันก็เกิดในใจ เกิดในที่ว่างอ่ะเพราะใจมันมันมันมันไม่มีมันไม่มีพื้นที่อ่ะคือมันมันเป็นความไม่ปรากฏอืมแต่มีสิ่งที่เกิดได้มีสิ่งที่ปรากฏในใจได้ตรงเนี้ยมันเป็นจุดเป็นจุดตัดกันระหว่างความไม่ปรากฏกับความปรากฏอะเป็นจุดที่ตัดกันก็เลยทําให้เข้าใจได้ว่าสิ่งปรากฏมันต้องเกิดจากความไม่มีอ่เกิดจากความไม่ปรากฏ จริงๆมันมันก็พิสูจน์ได้นะเพราะว่าเราลองดูความความโกรธเนาะความโกรธก็มีรับรู้กันได้ว่ามีจริงแล้วก็ดับจริงนะความสุขก็พิสูจน์ได้ว่ามันมันมันมันเกิดได้แล้วมันดับได้นะแต่ที่เกิดที่ดับของมันอะ่ะมันเป็นความไม่มีไงเรียกว่าความว่างเออในความไม่มีนั้นอะ่ะมันมีความรู้ก็คืออะไรเกิดขึ้นใน ในนั้นเน่ยมันก็รู้ได้มันก็จริงๆด้วยรู้ได้จริงๆเมื่อก่อนมันก็เข้าใจยากนะเมื่อก่อนบอกมีโอเคเราเข้าใจได้ว่าความความความสุขความทุกข์มันมีจริงมันมีรับรู้ได้แต่พอเขาบอกว่าใจไม่มีมันก็งงเลยบอกไม่มีใจได้ไงแล้วอะไรไปรู้อ่ะเลยเขาบอกว่าเออใจอ่ะมันมีความรู้แต่มันเป็นความไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏว่ามันมีพื้นที่กว้างยาวแค่ไหนอย่างไงมันไม่ปรากฏไม่ปรากฏอขอบเขตตรงนี้แต่มันมีความรู้แล้วมันรู้ได้อ๋อก็เลยเข้าใจทีนี้ถ้าไม่เข้าใจเนาะก็ต้องยกอุปมาอีกนะเพราะว่าธรรมะบางอย่างมันก็ต้องยกอุปมาหลวงพ่อเคยอุปมาเรื่องเรื่องไฟฉายนะหลวงพ่อไปทำวัดไปทำวัดเช้าแล้วก็ถือไฟฉายไปอันหนึ่ง แล้วก็เปิดแต่ปรากฏรถไฟฉายเนี่ยแบตมันอ่อนแล้วแหละรู้อยู่ว่าเออเดี๋ยวมันอาจจะดับระหว่างทางแต่ก็ถือไปทีนี้ระหว่างเดินไปที่ศาลาสวดมนต์เนี่ยอศาลาหอใจที่วัดป่าสุขโตประมาณเดินได้ครึ่งทางมันก็เริ่มเริ่มดับแล้วพอดับหลวงพ่อก็กดเปิดใหม่พอเปิด มันเปิดได้ไม่นานแล้วก็ดับอีกะอืมหลวงพ่อก็กดซ้ําอีกพอกดทีมันก็ติดทีหนึ่งเนาะเออแต่ว่ามันมันแป๊บเดียวแล้วก็ดับแล้วพอหลวงพ่อก็ศึกษามันว่าเออพอกดทีนมันก็ติดทีแล้วมันดับพอตอนท้ายๆเนี่ยมันก็ว่าพอกดปั๊บดับปุ๊บกดปั๊บดับปุ๊บอ่ะเนาะมันเร็วกดปั๊บดับปุ๊บอืม ตรงเนี้ยหลวงพ่อก็เลยอยากจะให้พวกเราลองลองลองสังเกตว่าไอ้ไฟฉายเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราเราเราสมมติว่ามันเป็นสิ่งที่ปรากฏกันแล้วกันเนาะพอกดทีหนึง่งมันก็ปรากฏทีหนึง่งปรากฏเป็นแสงอะแล้วมันก็ดับพอกดทีหนึง่งมันก็ปรากฏทีแล้วก็ดับหลวงพ่อก็จะเปรียบเทียบให้เห็นว่าไอ้ความเกิดดับเนี่ย มันเกิดดับอยู่ในความความไม่มีคือความว่างความว่างเนี่ยหลวงพ่อสมมติชื่อเป็นว่าว่างของอากาศก่อนเออเห็นไหมพอกดทีหนึ่งมันก็มันก็เกิดอมันก็เกิดในในอากาศนั่นแหละมันก็ปรากฏในอากาศและเวลามันดับมันก็ดับในอากาศอากาศเนี่ยเรียกว่าเป็นเป็นความว่างของอากาศนะอืมทีนี้การที่จะรู้ว่ามันมีความว่างของอากาศก็ต่อเมื่อ เห็นการเกิดการดับนี่แหละเห็นการเกิดการดับของของไฟควยฉายเนี่ยมันจึงรู้ว่าอ๋อมันมีอีกสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นก็คือความว่างแต่บังเอิญว่าความว่างอันนั้นเนี่ยมันยังมีอากาศเขาเรียกว่าเป็นอากาศเป็นว่างของอากาศเนาะอากาศรองรับความว่างอยู่แต่ทีนี้มันอะไรล่ะที่มันมันไม่ใช่อากาศเออนี่ถ้าสมมติว่าเราเราไล่ไปอีกเนาะสิ่งที่ไม่อากาศไม่ใช่อากาศก็คือความว่างที่ ที่ไม่ปรากฏอะไรเพราะฉะนั้นอากาศมันก็อยู่ในความว่างนะความว่างที่ไม่มีอะไรแล้วตอนนี้เออเป็นความว่างที่ไม่ปรากฏอะไรเลยทีนี้พอเราม อ, มองเทียบกันอย่างนี้ว่าอ๋ออากาศก็ยังอยู่ในความว่างเลยแต่อากาศมันก็ว่างว่างแบบอากาศทีนี้ไอ้ไฟฉายเนี่ยไฟฉายที่มันเกิดดับเนี่ยมัน ก, ก็ดับอยู่ในความว่าง แต่ความว่างที่แท้จริงเนี่ย ick, คือเป็นความว่างที่ไม่ปรากฏมันไม่ใช่ความว่างของอากาศอ่าตรงเนี้ยเลยทำให้รู้จักว่าอ๋อไอ้แสงไฟฉายที่กดแล้วดับกดแล้วดับเนาะมันก็เกิดดับในความว่างแต่ความว่างของความไม่ปรากฏเนี่ยมันไม่มีความรู้อากาศก็ไม่มีความรู้แสงไฟฉายก็ไม่มีความรู้นะไอ้ว่างที่ไม่ปรากฏอะไรมันก็ไม่มีความรู้ทีนี้ถ้าเราลองมาเทียบกับ กับใจเนาะที่หลวงพ่อคุยเมื่อตอนตอนสิบโมงอะ่ะใจมันก็ไม่ใช่อากาศนะใจก็ไม่ใช่เนื้อหนังอะไรแต่ใจเป็นความไม่ปรากฏแต่ใจมันมีความว่างเอเพราะฉะนั้นเวลาความโกรธเกิดขึ้นมันก็เกิดจากใจใช่ไหมเกิดจากใจแต่ใจมันเป็นความว่างเวลาความความสุขเกิดขึ้นอะมันก็เกิดออกมาจากใจ แต่ใจก็เป็นความว่างเป็นความไม่ปรากฏแต่มีความรู้ใจก็รู้ได้เ อ, อเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่เรียกว่าเกิดขึ้นในใจอ่ะเพราะฉะนั้นอาการเหล่าเนี้ยมันก็เกิดในความว่างนั่นแหละความว่างของใจแล้วก็ใจรู้ได้หมดอืว่าอะไรเกิดขึ้นอะไรดับไปทีนี้ถ้าเรามามองเรื่องความทุกข์กับความพ้นทุกข์สิ่งที่เกิดสิ่งที่ดับเขาเรียกว่าเป็นทุกข์ เพราะมันมันเป็นสิ่งเกิดดับเป็ น, น Grandma, ส, <Canada. c oughs> สังขารเนาะสังขารไม่เที่ยงสังขารเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นสิงส่งเกิดดับในใจเขาเรียกว่ามันเป็นตัวทุกข์ด้วยตัวมันเองนะอยรู้สึกเป็นทุกข์หรือจะไม่รู้สึกเป็นทุกข์แต่ถ้ามันมีการเกิดเขาเรียกว่าทุกข์เกิดถ้ามันดับเขาเรียกว่าทุกข์ดับแต่ใจเป็นความไม่ปรากฏมีแต่ความรู้ใจจึงไม่ได้มีมีทุกข์ไม่มีอะไรเลยนะใจไม่มีทุกข์ไม่มีสุขไม่มีอะไรแต่ได้แต่รู้สิ่งที่เกิดในใจนั่นแหละ เพราะนั้นสิ่งที่เกิดดับนั่นเขาเรียกว่าทุกข์เราก็จึงรู้จักแล้วว่าทุกข์คืออย่างนี้อย่างนี้คือสิ่งที่เกิดสิ่งที่ดับส่วนสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับเขาเรียกว่าพ้นจากทุกข์เป็นความไม่มีทุกข์เพราะนั้นความไม่มีทุกข์ก็คือเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วนะแต่ไม่มีใครไปพบได้พระพุทธเจ้าองค์เดียวที่ไปพบความไม่มีทุกข์สิ่งนั้นก็เลยสมมุติชื่อขึ้นเรียกสมมุติชื่อเรียกว่าใจ ส่วนสิ่งที่เกิดดับมันเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่อาจจะเรียกว่าใจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะพบเนี่ยในฐานะที่เราเป็นผู้ศึกษาเรียนรู้ธรรมะก็จะพบได้ตามคำบอกอย่างนี้แหละว่าทุกข์มีอยู่ทุกข์ก็คือนั่นแหละสิ่งที่เกิดส่วนความไม่มีทุกข์ก็มีอยู่ก็คือสิ่งที่ไม่เกิดก็มีครบถ้วนแล้วพระพุทธเจ้าสอนสองเรื่องคือทุกข์กับความไม่ทุกข์ ทีนี้เวลาภาคปฏิบัติเนี่ยก็คือนี่แหละที่บอกว่ามีสตินะรู้อยู่ที่ใจเห็นอยู่ที่ใจรู้อยู่ที่ใจคืออะไรเพราะในใจนั่นแหละมันมีมันมีทุกเกิดทุกดับก็รู้อยู่ที่ใจแล้วก็รู้อยู่ที่ใจก็เสร็จแล้วก็คือจะรู้แจ่มแจ้งเลยเห็นแจ้งรู้จริงว่าทุกมีแล้วทุกดับแต่ใจมันไม่ทุก่ะดีเพราะฉะนั้นเราเนี่ยที่สแสวงหาธรรมะปฏิบัติทาเพื่อความพ้นทุกเนี่ยมันไม่หาที่ไหนหรอก เพียงแต่พบใจพบใจหมายความว่ารู้แล้วว่าพ้นทุกข์มันพ้นอยู่ที่ใจนะมันไม่ได้พ้นอยู่ที่นอกตัวหรือว่าพ้นอยู่กลางอากาศหรือพ้นอยู่ที่ไหนนะมันพ้นทุกข์ก็คือที่ใจเพียงแต่เริ่มต้นก็คือใจที่มีสติอะไรเกิดขึ้นในใจก็รู้รู้รู้แล้วก็จะเห็นสิ่งที่เกิดมันก็ดำนะ ก็เลยจะเข้าใจเลยว่าอ๋อสิ่งเกิดดับในใจก็เป็นแค่สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาเห็นไหมเป็นธรรมดามากเลยไม่ใช่เป็นเรื่องผิดปกติอะไรเนาะมันก็เกิดดับอยู่ในใจนั่นแหละเพราะว่าถ้าไม่มีอะไรเกิดดับในใจโยงคิดดูสิมันจะอยู่กันยังไงอะความสุขก็ไม่มีความทุกข์ก็ไม่มีเฉยๆก็ไม่มีความนิ่งๆก็ไม่มีกลายเป็นไม่รู้เรื่องเลยไม่มีอะไรเลย อา่าอย่างนั้นมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าในใจมันต้องมีความปรุงแต่งใช่ไหมเพราะว่ามีหูมีตามีจมูกมีลิ้นมีกายอะไรกระทบกันมันก็ลงสู่ใจอ่ามันลงสู่ใจแล้วมันก็ไปดับในใจนั่นแหละศูนย์รวมทั้งความเกิดทั้งความดับมันรวมอยู่ที่ใจหมดเลยเพราะนั้นก็ใจก็รับรู้ใจรับรู้อย่างซื่อๆตรงไปตรงมานะมันก็มีเท่านี้แหละอืม ทีนี้ที่หลวงพ่อสอนที่คุยกันบอกว่าให้รู้ตัวรู้ตัวเนี่ยไอ้ตรงนั้นน่ะเหมือนกับว่าให้เป็นจุดเริ่มต้นว่าไอ้ที่รู้ตัวเนี่ยเออตัวทั้งตัวก็เป็นสิ่งถูกรู้แต่ผู้รู้ไม่ปรากฏนะจริงๆอะผู้รู้ไม่ปรากฏนั่นแหละคือใจนั่นแหละมันรู้เออรู้ตัวใจเป็นผู้รู้ตัวตัวเป็นตัวทุกข์เป็นตัวเกิดตัวดับแต่ใจซึ่ง มีคุณสมบัติรู้เนี่ยใจไม่ทุกเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ตัวก็พ้นทุกข์เพราะว่าใจรู้อย่างเดียวแต่ไม่ได้ยึดถือไม่ได้ปล่อยวางไม่ได้ทำอะไรได้แต่รู้ใจก็พ้นทุกเออเพราะฉะนั้นก็ฝึกให้รู้ตัวเข้าไว้เพราะจริงๆการรู้ตัวเนี่ยมันรู้ด้วยใจแต่ที่เราคุยกันวันก่อนเห็นไหมคืออย่างแยกไม่เป็นก็กลายเป็นว่าเราเป็นผู้รู้ตัวเราเป็นผู้รู้ตัวเรา แต่ความจริงอ่ะมั us, ak, hot, unity, threats, ในใจใจมันรู้ตัวเราแต่ด้วยความเข้าใจผิดและยังแยกระหว่างใจกับกับตัวไม่ได้ถ้าแยกเป็นว่าตัวก็เป็นเป็นสังขารอ่เป็นสังขารส่วนหนึ่งแต่ใจเป็นวิสังขารก็เป็นอีกส่วนหนึ่งอ่าจะใช้คาว่าเป็นประเภทก็ได้อ่าตัวเป็นประเภทหนึ่งที่เป็นสังขารเกิดดับแต่ใจไม่สังขารนะเป็นเป็นประเภทไม่สังขารแล้วก็รู้สังขารได้ เพราะฉะนั้นที่รู้ตัวรู้กายรู้ทั้งหมดนี่เขาเรียกว่ารู้ออกมาจากใจรู้ด้วยใจถ้าเข้าใจตรงนี้โยงก็แยกเป็นแล้วว่าอ๋อไอสิ่งถูกรู้มันมันมีทุกข์ในตัวของมันคือมันเกิดดับแต่ใจเป็นความไม่ปรากฏตัวใจแต่ได้แต่รู้ใจจึงไม่เกิดไม่ดับใจจึงไม่ได้ทุกข์อะไรเนี่ยแต่แยกเป็นอย่างเนี้มันก็พ้นทุกข์แต่ปัญหาก็คือแยกไม่เป็นเนี่ยยังแยกไม่เป็นมันเข้า พอแยกไม่เป็นเสร็จมันก็ไปยึดถือว่าเป็นเรานะเรารู้เราเห็นเราเห็นตัวเรา <laughs> เหมือนว่าเมื่อวันก่อนที่เราสาธิตกันเนะเาะอที่หลวงพ่อไวสาธิตเนี่ยที น, น, นี้ลองใหม่วันเนี้ยลองใหม่ว่ามันแยกเป็นไหมอลองมองอะไรทั้งอย่างหนึง่งแล้วดูที่ว่ามันมันแยกเป็นไห ม, มก็เอาวิธีเก่าๆอีก น, นั่นแหละวิธีเก่าเพราะว่าวิธีเก่านี่ถ้าเกิดว่าเคยทําแบบฝึกหัดมาแล้วแล้วก็เออพอพอมองออกแล้วยังว่า เออมันแยกมันแยกได้ทุกคนเนาะที่อยู่ในห้องเนาะลองเอาโทรศัพท์มือถือเราก็ได้เออเอามือถือเนี่ยถือไว้ในมือนี่เนาะยอมลองดูนะฮะทุกคนลองลองทะยกมือถือขึ้นมาแล้วก็ให้เราเนี่ยเป็นผู้มองมือถืออยู่ให้ตัวเราเป็นผู้มองมือถืออ่าแม่มันก็เห็นมือถือ แต่พองมองไปมองมามองไปมองมามองไปมองมามันก็จะรู้เลยว่ามือถือก็อันหนึ่งตัวเราก็อันหนึ่งเรียกเป็นอันจะเลยมือถือก็อันหนึ่งตัวเราที่มองก็อันหนึ่งมันก็มีสองอันใช่ไหมแต่พอมองไปมองมาเนี่ยมันจะเกิดการเข้าใจเลยว่าเออมันมีตัวรู้อยู่รู้รู้ว่าเราเนี่ยมองมือถือไอ้ตรงรู้เรานั่นแหละเขาเรียกว่าใจ ใจมันเป็นผู้รู้เราจะว่าเรารู้เราเนี่ยมันก็โอเคคนใหม่ที่ยังยังไม่ไม่คุ้นเคยยังไม่ยังแยกนี่เป็นมันก็ก็ต้องเชื่อว่าเราเป็นคนเห็นรู้เราแต่ทีนี้มองใหม่อมองมองให้เป็นสองอันเลยมีมืออันหนึ่งมีตัวเราผู้มองก็อันนึงแล้วโยมลองดูดี ว, ว่าถ้าไม่มีผู้รู้จะรู้ได้ไงว่ามีมือกับมีเราอะ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีผู้รู้แล้วผู้รู้อันนั้นแหละเป็นผู้รู้ที่ไม่ปรากฏตัวเขาก็เรียกว่าใจรู้ด้วยใจรู้ออกมาจากใจเพราะใจเนี่ยมันมีความรู้ถึงบอกว่ามันรู้ไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีประมาณมันรู้ตั้งแต่สิ่งที่อยู่ในใจอ่าแล้วก็รวมมาถึงรู้ตัวเราทั้งตัวรวมถึงมันรู้ผ่านทางตานู่นก็ไปรู้นอกตัวรู้หมด ว่าทุกอย่างมีอยู่ปรากฏอยู่แต่ทุกอย่างที่ใจรู้มันไม่ใช่ใจนะทุกสิ่งที่ถูกรู้ไม่ใช่ใจนะต่อไปภาคปฏิบัติก็จะง่ายแล้ ว, วอะไรก็ตามที่ปรากฏให้รู้มันไม่ใช่ใจแต่ใจได้แต่รู้แล้วก็ส่วนสิ่งถูกรู้เป็นสังขารทั้งหมดทั้งสิ้นเกิดดับ อา้าฝึกเป็นไหมอา้าวลองลองดูใหม่นะดูมือตัวเองก็ได้เนี่ยหลวงพ่อนั่งดูมือตัวเองเพราะว่าหลวงพ่อไม่ได้ยกโทรศัพท์เออเอายมยกมือก็ได้เปลี่ยนเนะจากโทรศัพท์ก็มาดูมือเนาะแบมือขึ้นแล้วก็มองเห็นไหมมันก็เห็นมือแล้วก็อาจจะเห็นหัวตัวเราก็ได้อ้าวสมมตินะแต่มันเห็นหัวตัวเรามันไม่ได้เห็นด้วยตาแต่มือเนี่ยมันคล้ายๆว่ามันเห็นด้วยตาแหละแต่ถ้าไม่มีคนบอกว่าเห็นด้วยตาเขาก็ไม่รู้ว่าเห็นด้วยอะไรเนาะเออ เพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าเห็นมือก็แล้วกันแต่หัวเราอ่ะก็รู้ว่าหัวมีอยู่หัวมีอยู่แล้วในเมื่อไม่เอาตาไปมองหัวแล้วรู้ได้ไงว่ามีหัวนี่แสดงว่ามีผู้รู้แต่ผู้ที่รู้ว่ามีหัวน่ะเนี่ยมันไม่ปรากฏตัวเพราะที่ปรากฏตอนนี้มีมือกับหัวส่วนผู้รู้เนี่ยไม่ปรากฏผู้รู้อันนั้นแหละเขาเรียกว่าใจ เนี่ยโยมจะเข้าใจมากขึ้นแล้วทวีเนี้ยพวกเนี้ยเนี่ยบางทีเห็นไหมอุปกรณ์ในการเรียนเนี่ยมันไม่ใช่แค่มองกรอบรูปหรือมองนาฬิกาหรือมองโทรศัพท์เอาอะไรก็ได้ยกขึ้นมาเพื่อให้เกิดการเห็นสองสิ่งขึ้นมาก่อนเมื่อเห็นสองสิ่งมันก็จะรู้ว่าอีกสิ่งหนึ่งคือผู้เห็นมันเข้าใจง่ายๆเลยอีกสิ่งหนึ่งคือผู้เห็นแต่ผู้เห็นเนี่ยไม่ใช่สองสิ่งนี้ ผู้เห็นไม่ปรากฏตัวเลยว่าอยู่ตรงไหนจะบอกว่าผู้หัวเอ้ยผู้เห็นเป็นหัวก็ไม่ใช่เพราะหัวเป็นสิ่งถูกเห็นบอกว่ามือเป็นผู้เห็นก็ไม่ได้เพราะมือก็เป็นสิ่งถูกเห็นแล้วช่องว่างระหว่างมือกับหัวเห็นไหมก็มีอยู่อันเนี้เขาเรียกว่าอากาศเป็นช่องว่างเป็นอากาศหรือจะเรียกเป็นพลังงานก็ได้จะเรียกแล้วแต่แต่ว่าในช่องว่างระหว่างมือกับหัวเนี่ยมันไม่มีความรู้แต่รู้อ่ะมันยังรู้เลยว่ามีช่องว่างเออ แต่ช่องว่างจะไปเป็นรู้ไม่ได้เพราะว่าว่างไม่มีความรู้แต่ความรู้มีแต่ไม่ปรากฏตัวจึงรู้ความว่างได้เห็นไหมเพราะนั้นเนี่ยเริ่มชัดเจนขึ้นอพอดูมือเสร็จแล้วเอา้าดูระหว่างมือสองข้างก็ได้เอา้ายกมือมาสองข้างดูข้างขวาทีหนึ่งข้างซ้ายทีนึงแล้วก็มันก็จะรู้ว่ามีหัวเราหัวเราก็มีอันนี้เป็นสามสิ่งแล้วนะนะมีมือมือขวามือหนึ่งมือซ้ายมือหนึ่ง แล้วก็มีหัวเราอ่ามีหัวเรียกงนะ่ายมันก็รู้หัวได้อยู่ดีแล้วก็รู้สองสิ่งนั้นได้แล้วก็รู้ว่ามีช่องว่างคืออากาศมีระยะห่างอะไรเนี้ยก็รู้หมดรู้อันเนี้ก็เรียกว่ารู้ออกมาจากใจอนะจะง่ายขึ้นนะทีนี้ทีนี้โยงก็ไปต่อยอดเราเองไปหัดอะไรก็ได้เอาทีนี้ไม่เอาหัวแล้วสต่ว่ายกมืออยู่เนาะยังยกมือสองข้างอยู่เอาให้รู้ให้รู้ท้องท้องคือร่างกายอะนะให้รู้ท้องตัวเองอะ เห็นไหมเราไม่ใช้ตาดูเลยแต่มันรู้ได้ว่ามีท้องรู้ได้ว่ามีมีมือมีอะไรอยู่นี่แหละคือรู้ได้ใจทั้งหมดเลยอ่าทีนี้บางคนบอกว่าเรารู้เรารู้หลวงพ่อวันนั้นก็ซักบองเราคนไหนอ่ะ <c oughs> ก็หาไม่เจอเรา <c oughs> เพราะนั้นน่ะที่มันรู้มันรู้ออกมาจากใจเพราะนั้นเนี่ยใจมันรู้หมดแหละเห็นไหมมันรู้หมดนี่ตอนนี้ถ้าท่านนึกถึงอะไรเนี่ยมันใจมันคือในร่างกายของเราเนี่นะหลวงพ่อเทียนถึงบอกว่า เวลามันรู้แจ้งนี่นะไม่ว่าจะมีฝอยจะมีจะมีฝอยหรือมีตําหนิอะไรอยู่ตรงไหนในตัวเนะ่ยมันรู้หมดเลยเนี่ยใจรู้หมดเลยจะมีจะมีจุดอะไรต่างๆที่อยู่ในใ น, ในตัวนี่มันรู้หมดหรือว่าอาการต่างๆที่เกิดขึ้นในกายในจิตเนี่ยมันรู้หมดกายป่วยกายไม่สบายกายเป็นอย่า ง, งนั้นก็รู้หมดแล้วจิตใจในในอาการของใจนะที่มันเกิดขึ้นนะ ก็รู้หมดเนี่ยไอ้รู้หมดแบบนี้ก็เรียกว่ารู้ออกมาจากใจรู้ด้วยใจทีนี้พอเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็จะง่ายแล้วว่าอะไรคือทุกข์ล่ะก็คือสิ่งที่ปรากฏนั่นแหละคือตัวมันเป็นทุกข์คือมันเกิดมาต้องแก่เจ็บตายไปคือสลายไปนะแล้วก็เป็นทุกข์ส่วนใจไม่มีทุกข์ไม่มีสุขได้แต่รู้พบแล้วยังว่าความไม่ทุกข์ก็คืออยู่ที่ไหนยังไงก็อยู่ที่ใจแต่ใจมันไม่มีตัว แต่ก็เข้าใจได้เป็นภาษาสมมติบัญญัติว่าเออพ้นทุกข์ที่ใจนะพ้นทุกข์ที่ใจนิพพานก็อยู่ที่ใจเพราะเมื่อใจไม่ทุกข์มันก็เป็นนิพพานอยู่แล้วพ้นนิพพานแปลว่าไม่ทุกข์เนาะแปลว่าพ้นทุกข์แปลว่าไม่มีอะไรเลยแล้วทีนี้ถ้าลองมอกพูดถึงกิเลสตัณหาอุปาทานเนี่ยมันไม่ใช่ใจนะกิเลสตัณหาอุปาทานเนี่ยเป็นสิ่งที่ปรากฏกิเลสคือความอยากมีอยากได้เห็นไหมมันเป็นความึงสิ่งที่ปรากฏปรากฏ อ, อยู่ที่ไหนปรากฏ อ, อยู่ที่ใจ ถ้าใจเห็นรู้กิเลสเกิดก็ไม่ต้องไปทำอะไรกับกิเลสเพียงแต่รู้เพียงแต่รู้ว่ากิเลสเกิดแล้วตัญหาต่างๆเกิดแล้วเพียงแค่รู้ไม่ต้องไปจัดการอะไรเพราะที่ผ่านมาเนี่ยที่มันมีปัญหาคือพวกนี้เกิดแต่ใจไม่รู้ใจไม่รู้ที่ใจไม่รู้เพราะว่าไม่ได้ฝึกสติมาก็เลยใจมันมันไม่มีตัวช่วยเหมือนกับว่าใหม่ๆมันต้องเอาสติเนาะเอา เอามาตัวช่วยเพื่อให้ใจเนี่ยมีการรู้จักซะก่อนตื่นรู้ซะก่อนพอเมื่อฝึอกมากๆใจก็สามารถที่จะรู้ได้เองนะพอรู้ได้เองมันก็แจมแจ้งในกิเลสกิเลสเกิดขึ้นแล้วใจก็รู้แต่ใจมันไม่ได้ทําตามมันไม่ได้อะไรทั้งอย่างกิเลสก็ดับไปนะทุกอย่างก็เกิดดับพเพราะจึงเขาเรียกว่าจึงแล้วก็รู้เท่าทันไงรู้รู้เท่าทันต่อกิเลสก็ทําให้กิเลสทําอะไรไม่ได้แต่ปัญหาเนี่ยก็คือมันไม่รู้ เออเพราะฉะนั้นก็ต้องฝึกขุดสติแล้วก็จนกระทั่งว่ากิเลสเกิดขึ้นก็รู้ความอยากเกิดขึ้นก็รู้มันเกิดที่ไหนมันก็เกิดในใจนี่แหละทีนี้ถ้าเราไปมองหากิเลสไปหาที่อื่นมันหาไม่เจอหรอกเพราะว่ามันอยู่ในใจเออเพราะฉะนั้นก็ฝึกใจให้มีสตินะแรกๆ ก, ก็ต้อ ง, ต, องต้องใช้ตรงนี้แหละใช้ขันห้ามามาตัวบอกแล้วก็ใจก็จะทำงานได้เองก็คือรู้ได้เอง ก็จำแจ้งในทุกจำแจ้งในกิเลสแต่ใจไม่ติดไม่ยึดอะไรกับกิเลสได้แต่รู้แจ้งเนี่ยที่เขาบอกว่ารู้แจ้งรู้แจ้งรู้แจ้งรู้จริงรู้แจ้งรู้จริงก็คือใจนี่แหละรู้แจ้งรู้จริงอะไรไปรู้ล่ะเออไม่ใช่เราไปรู้ไม่ใช่เราเป็นผู้รู้แจ้งไม่ใช่เราเป็นผู้รู้จริงตัวเราจริงๆมันไม่มีมีแต่มีแต่สังขารที่ปรากฏสังขารก็คือมีอะไรล่ะก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญาณนั่นแหละอาการเป็นสิ่งที่ปรากฏแล้วดับไปแต่ใจ เป็นความไม่ปรากฏเป็นความไม่ต้องดับไม่ถูกทําลายนะก็ได้ทูแจ้งแล้วก็พ้นทุก็หลวงพ่อก็พูดมาอย่างนี้ใครเออเมื่อกี้เมื่อกี้ที่มีการทดลองทานะหลวงพ่อก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าโยมทําแล้วมันมันเข้าใจยังไงไหมมันเห็นตามหลวงพ่อไหมเนาะนะเรียนธรรมะสดๆต้องมีการกระทํามีการปฏิบัติปฏิบัติก็คือเอาเอาขันานี้แหละมาทาอย่างที่ที่บอกกันเนาะ แล้วก็เกิดการรู้การเห็นยังไง ร, รึเปล่าโยมจิมเออเมือ่อเมื่อวานเมื่อวานโยมจิมก็ได้พูดแล้วก็ฟังแล้วนี่เห็นว่าเอออะไรก็เป็นสังขารอะไรก็เป็นสังขารทีนี้วันนี้หลวงพ่อก็ได้พูดถึงเรื่องผู้รู้เรื่องใจรู้ใจรู้เมื่อกี้เอา้ามาคุยกับหลวงพ่อหน่อยเมื่อกี้มันอย่างนี้คือหลวงพ่อเนี่ยกำลังพูดถึงพูดถึงใจนะคือใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ปรากฏนะแต่มีแต่ความรู้ แล้วทุกอย่างเนี่ยพวกเราก็รู้จักอยู่แล้วเช่นความสุขทุกคนก็พูดเองว่าเออมันเกิดที่ใจเนาะมันดับที่ใจความทุกข์ก็เกิดที่ใจดับที่ใจความโกรธก็เกิดที่ใจดับที่ใจ <Yeah. S 1> หลวงพ่อก็เลยมาพูดเรื่องใจว่าใจจริงๆอะ่ะมันเป็นชื่อสมมุติเรียกขึ้นมาเรียกว่าใจแต่ลักษณะของใจเนี่ยเป็นความไม่ปรากฏเป็นความไม่มีที่มีก็คือมีแต่ความรู้ก็หมายความว่า อะไรที่มันเกิดขึ้นในใจเนี่ยใจรู้หมดแต่ใจเป็นสิ่งแค่เหมือนกับว่าเป็นที่รองรับของสิ่งเกิดดับในใจนะคเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดดับในใจมันจึงไม่ใช่ใจคแต่ใจจริงๆคือคุณสสมบัติของใจคือมีแต่ความรู้คือรู้อย่างเดียวรู้อย่างเดียวคิดก็ไม่ได้นะโกรธก็ไม่ได้เป็นสุขเป็นทุกข์ก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าถ้ามันโกรธได้เป็นสุขเป็นทุกข์ได้นั่นไม่ใช่ใจเป็นสิ่งที่เกิดในใจ ทีนี้หลงวงพ่อก็พูดถึงว่าไอ้ใจเนี่ยนอกจากมันมีความรู้ในสิ่งที่เกิดดับในใจแล้วเนี่ยใจเนี่ยก็สามารถรู้กายรู้ตัวเราได้ทั้งตัวเหมือนกันตัวเราเนี่ยที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยเช่นเวลากายเคลื่อนไหวกายเดินกายนั่งกายนอนเนี่ยอันนี้ก็ใจรู้เหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยใจเนี่ยสามารถรู้อย่างไม่มีขอบเขตก็คือรู้ไม่จำกัดหมายความว่า พระใจมันเป็นความไม่ปรากฏใช่ไหมมันเป็นความว่างอ่ะสมมติหลวงพ่อจะใช้คําว่ามันเป็นความว่างเป็นความไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นความว่างเนี่ยเอาอะไรมาใส่มันก็ไม่เต็มนะเอาอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในใจใส่เท่าไหร่ยัดเข้าไปเท่าไหร่มันก็ไม่เต็มเอาตัวเราทั้งตัวใส่เข้าไปในใจมันก็ไม่เต็มนะแล้วก็ผลมาจากตัวเราแล้วเนี่ยใจก็ยังรู้ได้อีกเนาะเช่นมันรู้ถึงอะไรรู้ถึงต้นไม้ภูเขาที่มีอยู่อันนี้ก็ใจรู้นะ<อ>แต่มันมันรู้ผ่านมาทาง ไม่รู้มันผ่านมาทางไหนออกเป็นว่าที่รู้ทั้งหมดเนี่ยมันมีใจไปหนึ่งใจหนึ่งเดียวเท่านั้นแหละที่รับรู้อะไรได้ก็ใจสามารถรับรู้สิ่งที่อยู่นอกกายนอกตัวได้ไม่ว่าจะเป็นอะไรนะรู้หมดแล้วรู้ว่าสิ่งสิ่งที่มีอยู่นั้นน่ะเกิดดับหมดเลยนะเพราะนั้นแต่ใจมันไม่เกิดดับแต่ใจรู้สิ่งเกิดดับได้ใจจึงรู้ไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีประมาณรู้ทุกอย่างรู้แจ้งโลกรู้หมดรู้จักรวาลรู้หมดเลยทีนี้ หลวงพ่อเมื่อกี้ก็ให้ทดสอบกันว่าเอเพื่อจะให้เพราะการจะรู้จักใจได้เนี่ยมันจะต้องแยกเป็นแยกระหว่างสิ่งสิ่งที่ถูกใจรู้กับกับกับใจเองว่ามันเป็นคนละสิ่งกันหลวงพ่อตอนแรกก็บอกว่าเออให้ทุกคนเนาะให้มองไปที่โทรศัพท์ตัวเองเน่ะโทรศัพท์เนี่ย ท, ที่กำลังพูดคุยสนทนาเนาะอาจจะวางไว้บนโต๊ะ ว, วางตรงไหนแล้วก็มองไปเอาตัวเราเนี่ยไปมอง พอเราไปมองโทรศัพท์ก็ก็จะมีการเห็นโทรศัพท์แล้วพร้อมกันนั้นมันก็จะเห็นตัวเองด้วยว่าตัวเองเนี่ยยืนมองโทรศัพท์อยู่แล้วหลวงพ่อก็เชิงชี้บอกว่าไอ้โทรศัพท์มันก็เป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่ถูกถูกเห็นแล้วไอ้ตัวเราที่เป็นผู้มองโทรศัพท์ถึงแม้ว่าจะเห็นด้วยตาไม่ได้แต่มันก็เห็นด้วยใจได้ว่าอ๋อตัวเราเป็นผู้มองโทรศัพท์ การที่แยกอย่างนี้มันก็ทาใหใ้เข้าใจเรื่องผู้รู้ขึ้นมาว่าไอ้โทรศัพท์ก็เป็นสิ่งถูกถูกมองใช่ไมมันรู้อะไรไม่ได้แล้วไอ้ตัวเราที่ไปมองโทรศัพท์มันก็เป็นสิ่งถูกรู้ได้เหมือนกันแต่ไม่ได้ถูกรู้ด้วยตาหลวงพ่อก็บอกว่ามันถูกรู้ด้วยใจแล้วตรงนี้เป็นการพิสูจน์ว่ามันรู้ด้วยใจจริงหรือเปล่าเพราะว่าไอ้ตัวเราเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่ถูกรู้ โทรศัพท์ก็เป็นสิ่งสิหนึ่งที่ถูกรู้แสดงว่าต้องมีผู้รู้แน่นอนผู้รู้อันนั้นเนี่ยเราก็จะหาตัวผู้รู้ไม่เจอไม่รู้มันอยู่ไหนแต่มันมีอยู่เข้าใจด้วยปัญญาได้เลยว่าผู้รู้มีอยู่หลวงพ่อก็เลยบอกว่าผู้รู้นั่นแหละนั่นแหะคือใจใจมีแต่ความรู้คือมีแต่รู้แต่มันไม่ปรากฏตัวตรงเนี้ยทําการแยกให้เห็นว่าโทรศัพท์ก็เป็นสิ่งหนึ่งตัวเราก็เป็นสิ่งหนึ่ง และเข้าใจก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งถ้าเข้าใจอย่างนี้ต่อไปมันมันจะง่ายในการก็ เ, เรียกว่าทําความเข้าใจแยกแยะเพื่อให้ออกมาเป็นส่วนๆแล้วก็หลวงพ่อก็พูดถึงเรื่องทุกข์ทุกข์ก็คือสิ่งที่เกิดในใจนั่นเขาเรียกว่าทุกข์เพราะมันเป็นสังขารสังขารไม่เที่ยงสังขารเป็นทุกข์ทุกอย่างที่เกิดในใจเป็นทุกข์แต่ใจไม่มีการเกิดใจจริงเลยไม่ต้องเป็นทุกข์แล้วร่างกายก็เป็นสิ่งที่เกิดเป็นสิ่งที่ปรากฏเขาก็เรียกว่าทุกข์ แต่ร่างกายก็ไม่ใช่ใจสิ่งที่อยู่นอกตัวมันก็เป็นทุกข์ด้วยตัวมันอย่างโทรศัพท์เนี่ยมันก็เป็นทุกข์ในตัวก็เป็นสังขารเนาะมันเป็นสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์สักวันหนึ่งมันก็แตกสลายคือหายไปอ่าแล้วก็ทีนี้พอเป็นอย่างนี้เสร็จพ้นไปจากตัวเราทุกอย่างมันก็เป็นทุกข์เป็นสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์หมดเลยเป็นทุกข์หมดเลยยกเว้นอย่างเดียวที่ไม่เป็นทุกข์คือใจที่มีคุณนันสมบัติคือรู้อย่างเดียว เมื่อกี้เรื่องเอาตัวเราไปดูโทรศัพท์นะแล้วก็เริ่มเริ่มเข้าใจแล้วว่าอ๋อใจเป็นใจมีอยู่ที่เป็นทําหน้าที่รู้ตัวเราได้ทีนี้ก็เปลี่ยนใหม่ให้ยกมือตอนแรกให้ยกมือขวาขึ้นมาแล้วก็เอาหัวไปดูไม่ใช่ยกมือขึ้นมาแล้วก็ไปดูมือนะแล้วก็ให้ดูหัวตัวเองทีเนี้ยลองสังเกตดิเวลาดูมือเนี่ยมันก็รู้ว่ามีหัวหัวตัวเราหัวเราเนี่ยมีอยู่ แปลกไหมล่ะหัวเราไม่ได้ถูกมองด้วยตาแต่มันรู้ว่ามีหัวหลวงพ่อก็บอกว่าไอ้ที่รู้ว่ามีหัวนั่นแหละคือใจเป็นผู้รู้รู้ว่ามีหัวรู้ได้ใช่ไหมรู้ได้ค่ ะ, อะพอรู้ได้เสร็จแล้วหลวงพ่อก็ก็บอกว่าเออยกมือสองข้างมือซ้ายมือขวาแล้วก็ไปมองมันมองมือสองมือแล้วก็จะรู้ว่าอ๋อมันมีมือสองมือมือเป็นสิ่งถูกรู้แล้วก็ ให้รู้ที่หัวเราให้รู้ที่หัวเอ้ามันปรากฏว่ารู้หัวได้เหมือนกันอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยใจเนี่ยมันเป็นความมีอยู่แล้วแต่มันไม่ปรากฏแต่มันรู้เราได้หมดแหละว่าเออหัวเรามีอยู่ตัวเรามีอยู่แต่มันรู้ว่าหัวก็ไม่ใช่มันตัวก็ไม่ใช่มันมือก็ไม่ใช่มันคืออะไรต่างๆที่ที่ใจไปรู้เนี่ยมันไม่ใช่ไม่ใช่ใจคือมันรู้จักตัวมันเป็นอย่างดีแล้วว่ามันอะไม่เป็นอะไรทั้งหมดแต่มันเป็นรู้อย่างเดียว นอกนั้นไม่ใช่รู้พอเข้าใจอย่างนี้ต่อไปเนี่ยมันก็จะเข้าใจแบบเข้าใจเลยว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือเป็นความไม่ทุกข์เพราะฉะนั้นเวลาเจอทุกข์ก็รู้ทุกข์แต่ใจมันรู้ว่าไม่ใช่มันใจก็ได้แต่รู้ใจก็เลยไม่ต้องทุกข์เพราะฉะนั้นความไม่ทุกข์คือต้องเป็นฝังที่เป็นใจนอกจากนั้นเป็นฝังที่เป็นทุกข์เนี่ยมันแยกมาเป็นสองฝังใช่ไหมฝังใจคือความไม่มีทุกข์ความพ้นทุกข์นั่นแหละก็คือวังนิพพาน ส่วนขวั่ทุกข์ก็ขวายสังขารเกิดดับอยู่อย่างนั้นเพราะนั้นธรรมชาตินี้จริงๆมันก็มีสองขวัยเองคือฝ่ายหนึ่งเป็นขวัยสังขารฝ่ายหนึ่งเป็นขวายไม่สังขารขวายสังขารก็คือสิ่งที่ไม่ใช่ใจขวายวิสังขารที่ไม่เป็นสังขารก็คือใจเพราะฉะนั้นเนะ่ยพ้นทุกข์คือพ้นทุกข์ที่ใจมันไม่ได้พ้นที่ไหนใจนั่นแหละเป็นความไม่ทุกข์มาตั้งนานแล้วแต่ไม่มีคนรู้จักว่าก็เลยมาชี้ให้เห็นว่าอ๋อความไม่ทุกข์คือใจนั่นเอง มันจะทุกข์ดังไงอ่ะใจมันเป็นความไม่ปรากฏมันเป็นความว่างอ่ะแต่มันมีความรู้มันจึงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างอ่าทีนี้พอพูดอย่างนี้เข้าใจไหยโยมเข้าใจบ๋อเข้าใจค่ะหลวงพ่ออ่าเ ข, ข้าใจแยกแยะเป็นเนาะอ่าเออเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยที่โยมพูดอะ่ะที่บอกว่าเออมันมีแต่สังขารสังขารเท่านั้นแหละอ่าร่างกายก็เป็นสังขารเอ่อความรู้สึกนึกคิดก็เป็นสังขารอะไรต่างๆก็เป็นสังขารหมดแต่เมื่อวานหลวงพ่อยังไม่ได้พูดถึงใจเนาะใช่ไหม ว่าอะไรไปรู้สังขารเนาะใช่ไหมอเออเนี่ยวันนี้หลวงพ่อก็ชี้ให้เห็นว่าไอ้ที่รู้ทั้งหมดทั้งสิ้นะก็คือใจนั่นเองอืทีนี้เวลาภาคปฏิบัติก็โยมก็เนี่ยได้ยินได้ฟัง ก, ก็ปฏิบัติก็คืออะไรเกิดขึ้นในใจก็คือรู้ไงแล้วก็หัดเหมือนกับว่าโยมนิสโสทําความเข้าใจไว้ก่อนว่าอ๋อไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นในใจมันไม่ใช่ใจใจรู้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยใจแล้วก็เมื่อเป็นอย่างเนี้ย ก็เรียนรู้ไป เ, เ ร, รื่อยๆอะไรเกิดขึ้นก็รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วเนี่ยที่เขาเรียกว่ารู้ซื่อๆอถ้ารู้ด้วยใจนะใจมันรู้ซื่อเนี่ยมันมันไม่มีความทุกข์หรอกเพราะใจมันไม่เคยทุกข์แต่มันรู้ทุกข์ได้ไงทุกข์จะเป็นทุกขเวทนาหรืออาจจะไม่มีเป็นเวทนาก็ได้เช่นเฉยๆนิ่งๆนะใจนิ่งเช่น <ๆ S 1> เวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยใจมันนิ่งไอ้ความนิ่งอ่ะไม่ใช่ใจแต่เป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าว่าเออมันไม่มีอะไรมารบกวนมันก็เลยเป็นนิ่งไป เพราะฉะนั้นความนิ่งไม่ใช่ใจแต่ใจรู้ได้ว่านิ่งแล้วก็ต่อมาความนิ่งหายไปเป็นความวุ่นวายเช่นมีความคิดวุ่นวายอ้าวใจก็รู้แล้วก็ใจก็รู้ว่าความนิ่งหายไปแล้วความวุ่นวายเข้ามาแทนเห็นไหมเพราะนั้นความวุ่นวายก็ไม่ใช่ใจอ้าแล้วก็ต่อมาฉุนวะมีความสุขมีความสงบเงียบสงัดไอ้ความสงบเงียบสงัดอันนั้นก็ไม่ใช่ใจแต่ใจไปรู้เข้าว่าตอนเนี้ย ในใจอ่ะในในเนี้ยในในความว่างอ่ะมันมีความเงียบสงบอันนั้นก็ไม่ใช่ใจแต่ใจรู้ว่าเงียบสงบสงบัด<ะ>เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นในใจอ่ะไม่ไม่ใช่ใจทั้งหมดอย่างเนี้ยจะได้ไม่หลงเพราะว่ามันรู้ได้นี่อะไรเกิดแล้วก็อ๋อไม่ใช่ใจแล้วก็เช่นความแบบนิ่งเงียบเฉยส่วนมากคนจะไปติดเฉยเขานึกว่าใจไงเพราะด้วยความที่เข้าใจไม่ได้ว่ามันคืออะไร ต่อไปเนี่ยถว่านั่งปิดตาปี๋ทาสมาธิแล้วมันสงบเงียบอันนั้นแหละเป็นสิ่งที่ใจไปรู้อ่อมันไม่ใช่ใจแล้วไอ้สิ่งที่ใจไปรู้อ่ะมันก็เป็นสังขารเดียวอีกหน่อยมันก็เปลี่ยนสภาพไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกใจรู้มันก็เป็นของไม่เที่ยงอยู่ดีอ่าเนาะฝึกอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นฝึกเนี่ยไม่ได้ได้อะไรเลยไม่ได้เสียอะไรเลยเพราะว่ามันมีธรรมชาติสองฝ่ายเท่านั้นแหละฝ่ายไข่ปรุงแตง่งฝ่ายเกิดดับกับฝ่ายไม่ปรุงแตง่งไม่เกิดไม่ดับ แล้วตัวเราไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่บอกว่าให้เราได้เนี่ยมันไม่มีเราได้หรอกเพราะว่าเราไม่มีไม่มีเราเป็นผู้ได้แล้วอะไรเป็นผู้เสียไปก็ไม่มีอะไรต้องไม่มีเราไม่ต้องเสียอะไรไปเพราะเราไม่มีเพราะนั้นก็ไม่ต้องเสียอะไรจึงมีแต่ธรรมชาติเท่านั้นแหละที่ที่หลวงพ่อเล่าไว้ฟังมันก็มีแค่นี้แหละ